พุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตเป็นอย่างไรบทที่สไตรลักษณ์ลักษณะโดยธรรมชาติสามอย่างของสิ่งทั้งปวงก่อนฟังเนื้อหาหลักขอยกคำอธิบายเบื้องต้นส่วนหนึ่งจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสา ร, รดังนี้นะครับไตรลักษณ์คือลักษณะสาอาการที่เป็นเครื่องกำหนดหมายให้รู้ถึงความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสามประการได้แก่ 1. อนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยง 2. ทุกขตาความเป็นทุกข์หรือความเป็นของคงทนอยู่มิได้ 3. อนัตตาความเป็นของมิใช่ตัวตนคนไทยนิยมพูดสันส้นๆว่าอนิจจงทุกขังอนัตตา และแปลง่ายๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลักษณะเหล่านี้เป็นของแน่นอนเป็นกฎธรรมชาติมีอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าธรรมนิยามพึงทราบว่าพระบาลีในพระไตรปิฎกเรียกว่าธรรมนิยามตาหรือในภาษาไทยว่าธรรมนิยามส่วนไตรลักษณ์และสามัญละนะักษณะ เป็นคำที่เกิดขึ้นในยุคอัตถกถาเนื้อหาภายในสรุปหัวข้อเบื้องต้นมีดังนี้คำอธิบ า, ายไตรลักษ์ตามหลักวิชาในคำพีความเข้าใจเกี่ยวกับสัพที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ปิดบังไตรลักษ์รวมพุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษ์ความรู้เท่าทันสภาวะของไตรลักษ์และคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษ์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องรบทวนแนะนำให้ฟังตามลำดับนะครับเดือเริ่มต้นที่บทเริ่มต้นพุทธธรรมบทนำสู่พุทธธรรมพุทธธรรมเฉพาะภาพรวมก่อนเป็นบทที่หนึ่งเรื่องขันห้าและฟังเรียงตามลำดับไปจะดีที่สุดนะครับจัดทาเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยเจ้าภาพหลักสุภัตราสินทวัตรประภัยจิตหันกลางครอบครัวชินวัฒนกุลชัยครอบครัวเกษราทิคุณชั ย, รรรชยพรอินทรกุณชร เจ้าภาพรองอนุชารานรอนโบเดชพันธวรณิตรอบครอิมวงศรีจั ช, ชวานจันทราโชผพอนพักนิรันวรพัฒวิชายาดามุ่งวิชากอนดาวรินตั้งสกุลร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานนี้ร่วมกันสัพพะทานังธรรมาทานังจินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง